คณะบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเปิดเผยว่ามทรสุวรรณภูมิดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนขนาดเล็กขยายโอกา ส, ขาาสเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบนทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนขนาดเล็กขยายโอกาสในเครือข่ายคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งผลการดําเนินการของโครงการได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการแบบอย่างเข้ารับรางวัลสองโครงการได้แก่โครงการสร้างศูนย์เกษตรอินทรีย์เพื un, ่อโรงเรียนและชุมชนโดยโรงเรียนบ้านคลองพะพิมลและโครงการพัฒนาการสอนภาษาและวัฒนธรรมแบบชุมชน ม, ม, มีส่วนร่วมจีนญี่ปุ่นโดยโรงเรียนวัดแดงนนทคุณพิพัฒรัฐอุปถัมภ์การดํานเนินงานของสถาบันพี่เลี้ยงโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมาประสบความสําเร็จอย่างดียิ่งส่งผลให้ได้รับรางวัลจากการดําเนินโครงการ รวมเเงินรางวัล2 0 0 0บาทพร้อมโล่กิตติบัตททั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ผลักดันสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาโรงเรียนและชุมชนที่มีความพร้อมทํางานร่วมกันเป็นเครือข่ายเพแลกเปลี่ยนความรู้ช่วยกันพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนอาทิตย์ยาประกานางรายงาน กรมฝนหลวงร่วมกับหลายหน่วยงานเดินหน้าลดแมพสู้ภัยแลง้งโดยเฉพาะในปี2562คาดการสถานการณ์ภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นจากฝนทิ้งช่วงนายสุรศิกิติมณฑลอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยความร่วมมือ3าหน่วยงานได้แก่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันโลกร้อนศึกษาประเทศไทยและกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการร่วมมือการเดินหน้ายุทธศาสตร์การทำงานและวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงให้สอดคล้องกับแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในเชิงพื้นที่ปริมาณและคุณภาพน้ำเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้เกิดผลสูงสุด ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการสนับสนุนทรัพยากรสำหรับภารกิจด้านการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อให้สามารถขยายขอบเขตการบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศซึ่งมีพื้นที่การเกษตรที่อาศัยน้ำฝนกว่า120ล้านไร่ปี2562มีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะรุนแรงมากขึ้นซึ่งเกิดจากฝนทิ้งช่วงหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล